5.14 อยู่อย่างพอเพียงจะมีส่วนเหลือสังเกตดูว่าพัฒนาเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปีศูนย์หายนะไปหมดแล้วทรัพยากรทำอันนี้เสียอันนี้ไปทุ่มลงไปแก้อันนี้เสียอันนี้ไปอีกอยากได้ผลผลิตเยอะๆเพิ่มการผลิตเพิ่มการผลิตแล้วใครสบายบ้างใครมีความสุขบ้างแต่เดิมหลวงพ่อเคยถกปัญหากันบอกแต่ก่อนชาวนาทำนาปีละครั้งทำไมมันพอกินเดี๋ยวนี้ทำปีละสามครั้งทำไมไม่พอกิน มันเกิดอะไรผิดขึ้นมาแต่ก่อนคนไม่ค่อยมีสตางค์แต่มีความสุขมีอยู่มีกินมีสุขเดี๋ยวนี้มีสตางค์แล้วมีความสุขไหมบางคนไม่มีเวลาใช้สตางค์นะมีบ้านหลายๆ ห, หลังมันอยู่ได้จริงหรือเปล่ามันถูกหลอกตลอดเลยนะแต่ถ้าเราค่อยๆมาเรียนรู้ลงที่กายลงที่ใจนะส่วนเกินพวกนี้จะหายไปชีวิตเราจะไม่เหนื่อยเท่าทุกวันนี้ทุกวันนี้เราต้องเหนื่อยมากนะดิ้นรนทำมาหากินมากมายเพื่อไปหาส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรอก เยอะแยะเลยอย่างเราต้องมีรถหลายๆคันที่จริงเวลานั่งนั่งได้คันเดียวใช่ไหมฉะนั้นเราไปหาสิ่งที่เป็นส่วนเกินมากมายเพราะว่าความอยากมันหลอกเราสังคมก็หลอกเด็กให้มีความอยากมากขึ้นมากขึ้นจะได้ซื้อเยอะๆจะได้ผลิตให้มากผลิตมากทรัพยาก ร, กรก็ใช้มากก็ใช้เกินความจําเป็นก็ใช้อย่างฟุ่มเฟือยหายนะหมดเสียหายหมดนี่พัฒนาแบบหลงทางในหลวงเก่งนะให้พอเพียงน่ารักในหลวง เราชาพุทธต้องรู้จักประมาณฝรั่งมันไม่รู้จักประมาณนะมันรู้สึกมีตันหาขึ้นมาถ้าสนองตันหาได้จะมีความสุขเพราะตันหามีธรรมชาติโตไปเรื่อยๆได้แค่นี้มันต้องการมากขึ้นไปอีกไม่เคยเต็มพระพุทธเจ้าจึงมาสอนให้เรารู้เท่าทาันกายใจของเรามันจะกำจัดความต้องการลงมาเหลือเท่าที่จาเป็นเราก็จะมีส่วนเกินหลักคราวนี้เดิมมีแต่ไม่พอนะแต่ถ้าเรารู้จริงๆว่าชีวิตเราต้องการแค่นี้เอง มันจะเหลือส่วนเกินเยอะแยะที่จะเจือจานคนอื่นได้วิถีของชาวพุทธวิถีของตะวันออกไม่ได้เหมือนฝรั่งนะเขาแข่งกันบริโภค พ, พวกเราต้องตั้งสติให้ดีมิฉะนั้นพอเศรษฐกิจซุดลงมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะกลุ่มใจตายค่าตัวตายต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีฝึกดูจิตดูใจของเราเอาไว้ดูใจของเราถ้าอยู่ตามความจําเป็นแล้วอยู่ได้อย่างสบายคราวนี้จะมีส่วนเหลือด้วยส่วนเกินด้วยในชีวิตเรามีส่วนเกินเยอะนะ ยังกลับบ้านไปสำรวจในตู้เสื้อผ้าเราเสื้อตัวไหนปีหนึ่งแล้วไม่เคยหยิบนะเอาไปให้คนอื่นได้เลยมันคงไม่ได้ใช้แล้วชาตินี้